นักเดินทางกับพ่อค้าอัญมญณี ก, กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งชื่อเจเข้าเป็นนักเดินทางออกเดินทางทั่วโลกเพื่อสำรวจความงดงามของธรรมชาติกับเพื่อนสนิทตัวน้อยสุนัขที่ชื่อรัสกี้วันหนึ่งขณะที่พวกเขาผ่านทุ่งนานระัสกี้มองลงไปในหลุมและเห่าขึ้นมีอะไรหรือนุ่มน้อยนายเห็นอะไรอะ่ะ เขาเดินไปที่หลุมเขาเห็นชายคนหนึ่งและลิงเสือและงูอยู่ในนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีและมีเมตตาเขาตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างโอไม่นะจะต้องช่วยพวกเขาอ่ะก่อนพวกเขาจะถูกกินเขามองไปรอบๆพบเชือกเส้นยาวดังนั้นเขาจึงตัดสินใจหย่อนเชือกลงไปในหลุมลิงรีบคว้าเชือกไว้ แล้วปีนขึ้นมาอย่างปลอดภยัยจากนั้นงูก็พันตัวรอบๆเพื่อแล้วก็เลื้อยขึ้นบกจากนั้นเสือก็เกาะเชือกไว้และมันก็ถูกดึงออกมาจากหลุมสัตว์ทั้งสามรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนักเดินทางอย่างมากผู้มันขอบคุณในความดีของเขาขอบคุณคุณมากเลยนะคะฉั น, นอาศัยอยู่ ใ, ใกล้ๆกับเมืองนอนล็อกถ้าหากว่าคุณได้ผ่านไปจะเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ใยดีอช่วยเราเอาไว้ฉันอาศัยอยู่ในนอล็อกเหมือนกันค่ะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจะเป็นเกียรตยิอย่างมากที่ได้ทดแทนบุญคุณแต่ว่าฉันน่ะขอแนะนำคุณอย่างหนึ่งนะค ะ, อ, ะอย่าช่วยชายที่อยู่ข้างล่างนั่นเลยพวกมนุษย์น่ะโดยเฉพาะกับชายคนนั้นเป็นคนเนรคุณค่ะเชื่อคาแนะนาของพวกเราเถอะนะ เขาเป็นชายที่หลบมากและเนรคุณยิ่งเขาไม่คิดจะช่วยพวกเราเลยในตอนที่พวกเราหาทางขึ้นนะแต่ว่าเอาเถอะนะยังไงก็ขอบคุณมากที่ช่วยเราและถ้าหากคุณผ่านเข้ามาในปา่าใกล้ๆ ก, กับแม่น้ำเซโรนาทันก็จะต้อนรับคุณอย่างดีที่สุดพูดจบเขาก็แยกย้ายเข้าป่าไปเจไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาบอก ก็าตัดสินใจจะช่วยชายคนนั้นไม่ว่าอย่างไงเจโยนเชือกลงไปและช่วยเหลือชายคนนั้นขึ้นมาโอ้ขอบคุณนะจะชื่อรอคานเป็นพวกเขาอัญมณีถ้านายผ่านไปยังเมืองนอร์ล็อกฉันจะตอบเพนนอย่างไดอีเลยพูดจบพ่อค า, ยา น, นยัมณีก็เดินทางกลับเมือง J. เจก็ออกเดินทางต่อไปเจเดินทางผ่านทุ่งหญ้าและรัสกี้ก็เล่นกับพวกนกและผีเสือ้อ จนเมื่อพวกเขามาถึงเนินเขาพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากลิงสวัสดีเพื่อนดีใจจังที่ได้เจอคุณเราอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันกลับมานะเจียโอเคเจและรัสกี้นั่งรอลิงอยู่ใต้ต้นไม้ไม่นานนะักเจ้าลิงก็กลับมาพร้อมกับนกหวีดไม้ไผ่ที่งดงามเป่านกหวีดอันนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือขอบคุณมากนะพวกเราต้องออกเดินทางกันต่อแล้วละ่ะ พวกเขาล่ําลาลิงและออกเดินทางไปตามเนินเขาพวกเขาเดินทางลงจากเนินเขาและเข้าไปในป่าเห็นเสือเข้ามาทักทายเขามองไปที่ทั้งสองและพูดขึ้นขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยฉันเอาไว้รอนี่เดี๋ยวฉันมีอะไรจะมอบให้เสือไปที่ต้นน้ําที่นั่นเขาพบเจ้าหญิงแห่งนอร์ล็อกกาลังเล่นน้ําพร้อมกับสาวใช้ของเธอเขาตรงไปหาพวกเธอ และคำรามเสียงดังเมื่อเห็นสัตว์ดูร้ายยืนอยู่บนโขดหินเจ้าหญิงและเหล่าสาวใช้ต่างตะกายไปรอบๆและหยิบสิ่งของ<ว>ที่พอหาได้พร้อมกับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเร็วเข้าเจ้าหญิงวิ่งเร็วเสืเวเวเอวิ่งตรงไปหน้าเธอและพบกับสร้อยไข่มุกที่เปล่งประกายอ๋อเขาเอาสร้อยไข่มุกมาและกลับไปหานักเดินทาง พร้อมวางมันไว้ต่อหน้าเขาได้โปรดรับของสิ่งนี้ไปด้วยมันเป็นของแทนคาขอบคุณของฉันขอบคุณมากนะนายใจดีจริงๆเลยโอ้และแอปเปิ้ลนี่สำหรับนายนะเจ้าตัวน้อย <c oughs> พวกเขาไม่ได้รู้ถึงวิธีที่ได้ซ้อยนั่นเลยพวกเขาบอกลาเสือและเดินข้ามแม่น้ำมไม่นานพวกเขาก็มาถึงเมืองนอร์ล็อกดูสิรัสกี้ พวกเรามาถึงเมืองแล้วที่นี่คงเหมาะให้เราพักในคืนนี้พรุ่งนี้เท้าเราค่อยออกเดินทางกันต่อนะไปหาที่พักกันเถอะคงจะเยี่ยมไปเลยถ้าเจอพ่อค้าอัมณีรอคานที่นี่จะได้เอาสร้อยไข่มุกนี่ไปขายได้มันคงได้เงินพลอยพวกเราจ่ายซื้ออาหารสําหรับเดินทางได้ไหนว่าไหมมาดูกันว่าเราจะพบเขาที่ตลาดแถานี้ไหมขณะเดียวกันเมื่อสาวใช้กลับมาที่แม่น้ําเพื่อเก็บของให้เจ้าหญิง พวกเธอหาสร้อยไข่มุกจนพั่วแต่ก็ไม่พบมันเลยพวกเธอกลับไปบอกเรื่องนี้กับราชาราชาได้ประกาศว่าใครก็ตามที่นำสร้อยมีค่าชิ้นนี้กลับมาได้จะได้รับค่าตอบแทนอย่างงามเจและรัสกี้มาที่ตลาดที่นั่น พ, กพบกับรา็อคารในร้านขายอั ญ, ญามณีนั่นไงเขารอคารยินดีมากที่ได้พบกับนักเดินผับสวัสดีดีใจจังที่ได้เจอนาย มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยนายได้ฉันผ่านมาเมืองนี้เพื่อจะหาที่พักและอาหารสักหน่อยคืนนี้และฉันมีสร้อยคออันนี้ด้วยหวังว่านายจะช่วยซื้อมันจากฉันและฉันจะเอาเงินที่ได้ใช้สำหรับการเดินทางเมื่อเห็นสร้อยคอเส้นนี้รอคานก็จำได้ในพันทีโอ้สร้เส้นนี้ถ้าไปโกหกทำให้เจ้าหญิงเรยาเขาต้องไปบอกเรื่องนี้กับรอดค แล้วชัดก็จะยิ่งรวยขึ้นไปอีก <c oughs> อนแน่นอนทำไมไหนไม่ไปหาอะไรกินกอดไปพักสักหน่อยเดี๋ยวชันเออจะกลับมานะเ <c oughs> จนนั่งพักรอและรอคารรีบออกไปอย่างเร่งรีบพอคาร์ยญญมันีไปพบราชาที่ราชสำนักและบอกเรื่องสร้อยคอกับราชา <c oughs> ฟาบอดคนที่ขโมยสร้อยคอของเจ้าหญิงไป ตอนนี้เขากำลังอยู่ในร้านมอมชันแล้วเหลือเชื่อมาทหารไปนำตัวชายคนนั้นมาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยเจและรัสกี้ถูกน้มาพบราชค่ะและเมื่อเห็นสร้อยคอในมือเขาราชาสั่งให้ลงโทษ น, นักเดินทางในทันทีเออแต่แต่ว่านี่ ถ้าไม่อยากได้ยินคำแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเจ้าต้องถูกใส่กุญแจมือและเดินปาจารไปรอบเมืองเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขโมยของจากพระราชเอาตัวเขาไปและขังเจ้าหมานไว้นในกรงดังนั้นเจที่น่าสงสารจึงต้องเดินไปทั่วเมืองพร้อมกับถูกใส่กุญแจมือผู้คนต่างยืนห่ร้องใส่เขาเ เมื่อได้ยินผู้คนในเมืองตะโกนเชื่อเขาและสบบดดาเขาเจร้องออกมาถ้าฉันยอมเชื่อสิ่งที่สัตว์เหล่านั้นบอกเรื่องการเนรคุณและกะตันยูของชายคนนั้นฉันคงไม่เจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้พันใดนั้นเขาก็จำได้กับสิ่งที่หลิงมอบให้เขาหยิบนกหวีดออกมาจากกระเป๋าและเป่ามันเมื่อได้ยินหลิงก็รีบมาที่มือโอไม่นะเจ เขาไปหางูที่โพลและเรียกงูออกมาเฮ้เจ้างูเจ้างูออกมาเร็วเจี๊บงูออกมาจากรูของเขาบนกําแพงเจนะเขางานเข้าแล้วเราต้องไปรีบช่วยเขาเดี๋ยวนี้ฉันมีวิธีช่วยขอบคุณนะที่มาบอกฉันเรื่องนี้เขาไปหาน้องสาวเขาที่จริงๆแล้วเป็นจีนี่และเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเธอก็ตกลงที่จะช่วยทันพีเอานี่ไป มองหาโอกาสมอบมันให้ชายคนนั้นฉันจะไล่คำสาปใส่เจ้าหญิงที่งดงามและพี่ต้องบอกนักเดินทางว่าวิธีเดียวที่จะปลุกเจ้าหญิงได้ต้องให้เธอได้กลิ่นของใบไม้จีนี่ไปหาเจ้าหญิงและไล่คำสาปทําให้เธอหลับลึกลงไปงูไปที่คุกที่เจและรัสกี้ถูกขังอยู่และบอกแผนทุกอย่างให้เขาฝักเอาใบไม้นี้ไปนะ และเมื่อนายถูกเรียกไปยังห้องของเจ้าหญิงและก็มอบใบไม้นี้ให้นางและนางก็จะถูกปลุกขึน้นนะสวันรุ่งขึ้นราชาและรัฐมนตรีเถียงกันอย่างหนักกับวิธีจะปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นฟาบาด ท, ทั้งหมอและฤาษีในเมืองเราพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ก็ปประโยชน์ไม่มีวิธีไหนปลุกเจ้าหญิงได้เรียกพมดมา เขา่าจจะมีคำตอบหรือพ่ อ, ดพอมดเละขอรับแต่ในมือของเราเนี่ไม่มีพ่อมดเลยสักคนแม่มดก็ได้ข้าไม่สนอะไรข้าต้องหาทางให้ได้เดี๋ยวนี้ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นไหวท่ามกลางหมอกควันแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นได้ยินว่ามีคนเรียกหาแม่มดงั้นเหรออทหารฉันรู้วิธีที่จะปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นขึ้นมาได้เดี๋ยว ได้โปรดบอกพวกเราด้วยวิธีเดียวที่จะคลายคำสาปและช่วยเจ้าหญิงได้ก็คือต้องใช้ผู้ชายที่ถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมตกลกไปเรียกนะักโทษมาเจถูกเรียกไปพบที่ห้องเจ้าเมื่อเขามาถึงกลิ่นของใบไม้ก็ส่งกลิ่นออกไปนั่นทำให้เจ้าหญิงกลับมามีสติขึ้นน้งพาตรงไมของพอ่อ ขอบคุณมากนะจระนุ่มนายช่วยชีวิตลูกสาวฉันไว้บอกมาแต่นายไม่ได้ขโมยใสยคอไปแล้วใครลราเป็นคนพํงเจอธิบายทุกอย่างให้ราชาฟังและเขาตอบแทนที่เจอช่วยเจ้าหญิงเอาไว้เพื่อเป็นการลงโทษที่แจ้งความเท็จและยังไม่ตอบแทนที่เจอช่วยชีวิตเอาไว้พ่อข้อยมณีรอคานถูกสั่งให้จาคุกโดยราชา อร่อยนะอมมามาเ ช, <ว>ช่นนี้รอคารจึงได้รับบทเดียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเราควรจะตอบแทนและขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราไม่ใช่พยายามที่จะโลภมากและเห็นแก่ตัวกับเขาผู้นั้น